3ประการเป็นไนคือโลภะเป็นอกุศลมูลหนึ่งโทสะเป็นอกุศลมูลหนึ่งโมหะเป็นอกุศลมูลหนึ่งดูการพิสูจน์ทั้งหลายอากุศลมูลสาประการนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดแล้วในตน ย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตอันลามกเหมือนขุยไผย่ย่อมเบียดเบียนไม้ไผ่ฉะนั้นเนื้อความแม่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วฉะนี้แลโวนะครับเนาะโลภะโทสะโมหะนี้เกิดมาเพื่อทาลายบุรุษนะครับผู้มีจิตอันลามก น, นั้นนะ นหมายความว่าขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดเนี่ยนะครับมันสร้างความเสียหายสร้างความพินาศทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นหมดเลยในอัตกถาอากุศลมูลสูตรนะครับบอทว่าอากุศลมมลานินั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้อธิบายคำว่าอากุศลมูลนะครับกิเลชาติชื่อว่าเป็นอากุศลมูล เพราะมันเป็นทั้งอากุศลเป็นทั้งรากเง่าของอากุศลนะครับกิเลสตัวนี้เนี่ยนะที่ใช้คำว่าอากุศลมูลเนี่ยตัวเขาเองก็เป็นอากุศลเพราะมีโทษ ด, ด้วยนะครับเพราะให้ผลเป็นความทุกข์ด้วยแล้วตัวของเขาก็ยังเป็นรากคือเป็นเหตุปัจจัยของอากุศลด้วยนะครับก็เลยเรียกว่าอากุศลมูล อีกอย่างหนึ่งเชื่อว่าเป็นอากุศลมูลเพราะเป็นรากเง่าของอากุศลธรรมทั้งหลายโดยความหมายว่าเป็นเหตุเป็นตัดใจเป็นปภวะเป็นชนกะชนกะคือผู้ให้เกิดนะครับเป็นสมุทถาปกะคือผู้สถาปนาว่างั้นเถอะเป็นนิพพัตะกะผู้ให้เกิดแห่งอากุศลธรรมทั้งหลายคือเป็นกัณะคือเป็นเหตุแห่งอากุศลธรรมทั้งหลายนะครับ คือถ้าหากว่าไม่มีโลภะโทสะโมหะซะจิตจะไม่เป็นอกุศลเลยนะครับแต่ว่าอกุศลธรรมทั้งหลายแม้ว่าจิตหรือว่าอกุศลอย่างอื่นๆนี้ก็อาศัยโลภะโทสะโมหะนี่แหละครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นแดนเกิดเป็นผู้ให้เกิดเป็นผู้สถาปนาเป็นผู้สมอเป็นผู้สร้างกิเลสว่างั้นเถอะเป็นรากเงาของกิเลสนะนัเพราะว่ากรณะท่านเรียกว่าเหตุเพราะเป็นแดน คือเป็นไปแห่งผลนะครับคือโลภะเนี่ยเป็นแดนหรือว่าให้ผลคืออกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นนะนะแล้วก็เรียกว่าปัจจัยเพราะเป็นเหตุให้ผลอาศัยเป็นไปเรียกว่าปภาวะเพราะเป็นแดนเกิดก่อนแห่งผลเรียกว่าชนากะเพราะยังผลของตนให้เกิดเรียกว่าสมุทาปะกะเพราะให้ผลเผลผลและเรียกว่านิพัตกะเพราะยังให้ผลเกิดขึ้นฉันใด กิเลสชาติมีโลภะเป็นต้นชื่อว่าเป็นรากเงา่าเพราะอาธาิว่าเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นนะครับคืออกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกกายกรรมวจีกรรมที่ชั่วช้าทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็มีโลภะ โ, โมหะโมหะนั่นแหละเป็นรากเงา่านะครับเป็นเหตุเกิดเป็นแดนเกิดถ้าไม่มีโลภะโมหะโทสะนี่นะครับ มโนทุจริต จ, จะเกิดไม่ได้เลยนะครับวจีทุจริตก็เกิดไม่ได้กายยะทุจริตก็เกิดไม่ได้แต่ที่กายยะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีตัวมีมูลตัวนี้นะครับสา ม, มูลนี่แหละครับโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลนี่แหละอันจะออกมาในรูปแบบของบาปประธรรมนะครับมากมายมหาศาล เพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายว่าบทว่าอากุศลมูลานิหมายความว่าเป็นเหตุให้อากุศลธรรมทั้งหลายสําเร็จความเป็นธรรมะให้ตั้งไว้สมบูรณ์แล้วนะครับที่จริงสิ่งเหล่านี้นี่นะครับเกิดพร้อมกับสัมปยุตธรรมนั่นแหละครับเกิดพร้อมกันนั่นแหละส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าความโลภที่ให้อกุศลธรรมทั้งหลายสําเร็จเป็นอากุศลเป็นมูลของอากุศลทั้งหลายมีโลภเป็นต้น เหมือนพืชพันธุ์ของข้าวสาลีเป็นต้นเป็นมูลฐานของข้าวสาลีเป็นต้นและเหมือนน้ำสายดุดแก้วมณีเป็นต้นเป็นมูลฐานของประกายของอัญมณีเป็นต้นฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นในรูปที่มีอกุศลจิตเป็นสมุทฐานไม่พึงมีความที่อกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะว่ารูปที่มีอกุศลจิตเป็นสมุทฐานเหล่านั้นให้สําเร็จความเป็นอากุศลธรรมแก่มันไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่จะ เป็นปัจจัยไม่ได้สมจริงดังคําที่ตรัสไว้ว่านะครับเหตุเหตุสัมปยุตการนังธรรมานังตังสมุทฐานานันจะรูปานังเหตุปัจเจนาปัจโยใช่ไหมครับตามคำพีปฐานนะนะแต่ตรงนี้เขาแปลไงแปลว่าเหตุเป็นปัจจัยโดยเหตุตุปัจจัยนะครับแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยเหตุและรูปทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยเหตุเหล่านั้นเป็นสมุทฐาน คือหมายคำ ว, ว่าโลพะโทสะโมหะนี่นะครับเขาเนี่ยนะเป็นเหตุปัจจัยนะครับเขาเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุตัปัจจัยแก่สัมปยุต ธ, ธรรมหมายคำ ว, ว่าจิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันและรูปทั้งหลายที่มีเหตุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสมุดฐานด้วยนะครับด้วยอํานาจเหตุตัปัจจัยนะครับ ก็ความที่มีโมหะเป็นอกุศลมูลไม่พึงมีแก่อเหตุกตุกษ์เพราะไม่มีรากเงาอย่างอื่นให้สําเร็จความเป็นอกุศลอันหนึ่งความที่ทําทั้งหลายมีโลภะเป็นต้นเป็นอากุศลเป็นต้นสําเร็จแล้วโดยสภาวะพึงมีได้แต่ความที่ทําทั้งหลายที่สัมปยุทธ์ด้วยโลภะเป็นต้นเหล่านั้นเป็นอกุศลเป็นต้นเป็นธรรมะเนื่องด้วยโลภะเป็นต้นพึงมีได้ดังนี้แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นความที่อกุศลธรรมทั้งหลาย แม้มีอะโลภาเป็นต้นสำเร็จเป็นกุศลได้โดยสภาวะเหมือนความที่โลภาเป็นต้นเป็นอกุศลสำเร็จได้โดยสภาวะนั้นดังนั้นอะโลภาเป็นต้นพึงเป็นกุศลอย่างเดียวไม่เป็นอัพยากตะและไม่มีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรสแสวงหาสภาพของกุศลธรรมเป็นต้นแม้ในรากเง้าทั้งหลายเหมือนในสัมปยุตธรรมทั้งหลาย บันเดิดพึงถือเอามูลรากเง้านั่นแหละว่าเป็นเหตุดุจโยนิโสมรสิการเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความเป็นกุศลและดุจอโยนิโสมรสิการเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความเป็นอกุศลเมื่อไม่ถือเอามูลแห่งความโลภเป็นต้นด้วยสามารถแห่งการยังความเป็นอกุศลให้สําเร็จถือเอาแล้วมูลฐานด้วยอํานาจแห่งการยังความเป็นธรรมะที่ประดิสฐานว่าอย่างดีแล้วให้สําเร็จอย่างนี้ก็ไม่มีโทษอะไร เพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่ได้เหตุและปัจจัยแล้วประดิษฐานมั่นคงเหมือนต้นไม้ที่มีรากแผ่ภัยสารส่วนธรรมะที่เว้นจากเหตุจะไม่ประดิษฐานมั่นคงเหมือนงาและสารายมีพืชเป็นต้นเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งสามอย่างจึงชื่อว่าเป็นอกุศลมูลเพราะเป็นมูลเหตุที่เป็นอุปการะแก่อกุโธรรมทั้งหลายโดยความหมายว่ามีเหตุเป็นต้น แต่เพราะเหตุที่จิตุบาตที่เป็นอากุศลที่พ้นจากกิเลสที่เป็นรากเง่าย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นพึงทราบว่ากิเลสที่เป็นมูลทั้ง3าพระองค์ทรงสแสดงคลุมเอากองอากุศลทั้งหมดไว้นะครับคือลักษณะของจิตที่เป็นอากุศลเนี่ยนะครับเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาก็จะปรารบอารมณ์นะ้ันต้นเนี่ยต้องแยกว่าจิตกับอารมณ์นี่คนละอย่าง จิตจะเกิดขึ้นต้องอาศัยอารมณ์นะครับอารมณ์นั้นคือรูปเป็นอารมณ์ก็มีนะครับจิตที่มีเสียงเป็นอารมณ์ก็มีจิตที่มีกลิ่นมีรสมีโพธิภะและมีธรรมะเป็นอารมณ์ก็มีทีนี้ในจิตเหล่านั้นเนี่ยนะครับจิตที่เกิดขึ้นโดยที่มีอโยนิโสมนสิการเป็นอุปนิสัยให้โลภะเป็นต้นก็เกิดนะครับโลภะที่เกิดก็มี สีเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์แต่เวลาเขาเกิดเขาจะเป็นรากให้จิตและเจตสิกอย่างอื่นๆนะครับไอ้คําว่ารากก็คือมูลเนี่ยนะเป็นมูลเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยให้จิตเจตสิกอื่นๆเนี่ยยึดเขาเกิดขึ้นทํากิจของตนได้อย่างเต็มที่นะครับครับผมเขาสามารถทําอกุศลให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าโดยสหาชาตปัจจัยนะครับเกิดร่วมกันด้วยคือโลภานั้นเมื่อเขาเกิดเขาก็มีอารมณ์นั้นนั่นแหละ แต่เขาก็ถึงความเป็นรากคือเป็นเหตุปัจจัยด้วยนะครับเป็นสหาชาต่ปัจจัยด้วยแก่จิตเจตสิกเหล่านั้นที่เกิดพร้อมกันทําให้รับรู้อารมณ์นั้นๆนะครับทีนี้เนื่องจากโลภะเนี่ยเป็นเหตุจิตเหล่านั้นที่เกิดขึ้นอะ่ะมันก็ทําจิตตะชุบนะล่วงมาทางกายกรรมล่วงมาทางกายทวารกายทวาร อ, อันนั้นก็เลยมีโทษมีโทษตามไปด้วยล่วงมาทางวาจาวจีทวารอันนั้นก็เลยมีโทษไปด้วย ถ้าหากว่าไม่ล่วงมาทางกายวาจาก็นึกคิดทางใจก็มีโทษเนื่องจากโทษคือโลภะโทสะและโมหะเป็นต้นที่เกิดในจิตตสันดาลนั้นๆ น, น, นะครับเพราะฉะนั้นจิตนั้นๆเนี่ยนะที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นมูลเป็นรากเง่าก็ทําให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นแพ่จิตตชรูปออกมานะครับแพ่จิตตชรูปออกมาทีนี้ถามว่าจิตที่เป็นอกุศลที่เป็นไปกับโลภะเหล่านั้นนๆเนี่ยมีอะไรเป็นอาหาร นะครับมีอะไรเป็นปัจจัยนะโลผะกับโทสะโมหะเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรเป็นอาหารก็ต้องครับก็ต้องูว่าถ้าโดยทั่วๆไปก็จะแสดงว่าอโยนิโสนะครับแต่ทีนี้ถ้าโลผ้าอันนั้นจะแสดงในลักษณะว่าเป็นภวะตันหานะครับภวะตันหาอันนั้นก็มีโมหะอันนั้นแหละเป็นเป็นมูลให้เป็นอุปนิสัยให้นะคือมีอวิชาหรือมีโมหะเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้เป็นมูลให้ ทีนี้อวิชาทั้งหลายก็มีนิวร์นั่นเองนะเป็นมูลให้เป็นอุปนิสัยให้คือถ้าสัมปยุทธกันก็เรียกว่าเป็นเป็นสัมปยุทธธรรมหรือเป็นมูลแต่ถ้าบางทีก็อาจจะไกลหน่อยก็เรียกว่าเป็นอุปนิสัยให้ทีนี้แม้แต่นิวร์เหล่านั้นก็ยังมีอุปนิสัยคือทุจริตสานะครับความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจนี่แหละเป็นอุปนิสัยให้เนื่องจากไม่มีอินทรีย์สังวร น, นั่นเองนะครับเป็นปัจจัยให้เกิดทุจริตสา ทีนี้ผู้ที่มีทูตเจริตสามก็เนื่องจากไม่มีสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะทีนี้สติสัมปชัญญะเหล่านั้นที่ขาดก็เนื่องจากไม่มีศรัทธานั่นเองนะครับเนื่องจากความเป็นผู้ขาดศรัทธาทีนี้ความขาดศรัทธาเหล่านั้นก็เนื่องจากไม่มีโยนิโสมนัสิกาะขออภัยคือที่เขาไม่มีสติสัมปชัญญะเนื่องจากไม่มีโยนิโสมนสิการ ่ความที่เขาไม่มีโยนิโสมนัสการก็เนื่องจากขาดศรัทธาความที่เขาขาดศรัทธาเนื่องจากเขาไม่ได้ฟังศรัทธรรมอะไรเลยเขาไม่ได้ฟังศรัทธาเพราะเขาไม่ครบสัตบุรุษไอ้ความที่เขาไม่ครบสัตบุรุษเนื่องจากเขาอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากอยู่ที่อยู่ในไม่เหมาะสมเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีบุญเก่านะทำให้เกิดในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมได้เกี่ยวข้องกับคนผ่านทั้งหลายผู้ทําความชั่วทางกายผู้ทําความชั่วทางใจผู้ คิดชั่วนะครับผู้พูดชั่วทางวาจาเนี่ยนะได้เกี่ยวข้องคลุกคลีแต่คนชั่วเมื่อคลุกคลีกับคนชั่วก็ฟังแต่อสัตธรรมเขาก็ฟังแต่อสัตธรรมนะครับฟังแต่เดรัชานกรถาเป็นต้นนะครับฟังแต่เกี่ยวข้องคลุกคลีแต่เรื่องเกี่ยวกับเดรัชานกรถาเป็นไต่กกายทุจริตวจีทุจริตเนี่ยนะเม <gment S 2> ื่อเขาฟังและซ่องเสพบุคคลเหล่านั้นมากเดรัชานกถาก็บริบูรณ์นะครับอสัตธรรมก็บริบูรณ์นะครับ มิจฉาธิฏฐิเป็นต้นก็บริบูรณ์มิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นเกิดมากๆอโยนิโสก็เป็นไปก็ดําเนินไปเมื่ออโยนิโสเขาเกิดมากๆนะครับเขาไม่ฉลาดคิดอะไรสักอย่างเลยนะเนื่องจากไม่มีข้อมูลอะไรให้ไปฉลาดคิดอะไรสักอย่างก็เลยไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นคนหลงลืมนะครับไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นกรรมดีกรรมชั่ว นะครับควรเสพไม่ควรเสพให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเขาก็ไม่รู้สักอย่างก็เลยไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยครับขาดอัตตสัมมาปณิทิขาดโยนิโสมนสิการทีนี้เมื่อขาดโยนิโสมนัสิการอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมากไปด้วยอายนิโสคิดโดยไม่แยบคายคิดไปในสุภาพสัญญาบ้างนะครับนิจสัญญาบ้างอัตตสัญญาบ้างนะครับหรือว่าอัตตสัญญาบ้างนะครับ ทีนี้เป็นไปกับวิปลาธรรมทั้งหลายก็ถือไม่สํารวมอินทรีย์แล้วนะครับมีตาก็สอดสายหารูปสวยๆมีหูก็สอดสายหาเสียงเพราะๆจมูกเก่นกายเป็นต้นก็เป็นไปกับเรื่องราวที่ตัวเองชอบใจฝักใฝ่ฝปรารถนาเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรศีลก็เลยไม่เกิดเลยเมื่อไม่มีอินทรีย์สังวรศีลเป็นต้นเหล่านั้นเกิดแล้วนี่นะครับทํำยังไงต่อไปทุจริตสามก็พรั่งพร้อมขึ้นเพราะว่า เมื่อตามองเห็นความชั่วก็ไหลออกมาทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อหูได้ยินเสียงความชั่วก็ไหลออกมาทางกายวาจาใจเมื่อได้รับกลิ่นก็ความชั่วก็ไหลออกมาทางกายวาจาใจเช่นคนเห็นภาพใดภาพหนึ่งเนี่ยนะวจีทุจริตเนี่ยจะเห็นชัดเจนก็คือจะพูดถึงสิ่งนั้นๆด้วยอำนาจโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันนั้นก็เป็นวจีทุจริตนะครับบางคนก็หนักหนาสาหัส ถ, ถึงกับมูสาวาตเป็นต้นนะครับ บางคนก็มนโนทุจริตเป็นอภิชาและโทมนัสในอารมณ์นั้นๆนะครับเป็นโลภะเป็นพยาปาทาเป็นอภิชาเป็นมิจฉาทิฐินะครับทุจริตสาก็บริบูรนทูจริตสามบริบูรณนนิวรหก็กลุ่มรุมกางกั้นไม่ให้กุศลธรรมทั้งหลายเกิดเมื่อนิวรกลุ่มรุมมากๆอวิชาก็บริบูรน เมื่อวิชาเกิดมากๆภาวะตันหาก็บริบูรณ์นั้นเขาก็เป็นไปในสังสารทุกข์แบบนี้นะครับชีวิตก็ดำเนินไปแบบนี้วันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าแล้วก็หลายๆสิบปีเข้านะครับชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ละครับมันก็ดำเนินชีวิตไปในลักษณะนี้ส่วนใหญ่ทีนี้ชีวิตก็จาก อบายสู่อบายซะส่วนใหญ่นะครับจากนรกสู่นรกจากเปรตสู่นรกจากนรกสู่เปรตจากเปรตสู่สัตว์เดรัจฉานจากเดรัจฉานสู่นรกเนก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจะมีครั้งคราวบ้างที่จะมาเป็นสุคติกับเขาก็ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อมาเข้าสู่สุคติชั่วครั้งคราวก็มาทําชั่วในสภาพแบบเดิมอีกนะครับก็ไปอีกแล้วนะครับอันชีวิตก็วนเวียนอยู่ในลักษณะนี้นัสังสารทุกข์จึงไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรเลย เนื่องจากไอ้มูลทั้งหลายเหล่านี้นะครับที่เป็นโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลเป็นต้นนั่นเองนะครับก่อนอนุญาตไอ้จากเรื่องเนียเปรตทุสันสโส น, น, น, น, นะฮะที่เข้าไปตกนรกแล้วเขาพากันคร่ำครวญว่าขอให้ได้พ้นจากตรงนี้สักทีถ้าไดไปเกิดเป็นคนอีกสักครั้งเนี่ยนะเขาจะสร้างบุญสร้างกุศลทําแต่คุณงามความดีอ่ะ โดยที่เขาทำแต่บาปแต่อกักศรสะสมเป็นอุปนิสัยนะเมื่อเขาไปตนนกนรกถ้าเขาตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยจะมันจะเป็นปัจใจได้ไหมที่จะทําให้เขากลับมาเกิอดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วไอ้ไอความตั้งใจตรงนั้นนะมันจะเป็นอุปนิสัยทำให้เข า, าหันมาเป็นคนดีบ้างอะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าจะติดสันดานเดิมครับคือถ้าตรงนี้นะครับถ้าตามสังเกตแล้วใน เปรตผสารโสก็มีเปรตที่กล่าวถึงโสสับเดียวเท่านั้นเองที่ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิอันนี้ไว้ในนรกนะครับส่วนเปรตอื่นๆก็ไม่ได้ตั้งอันนี้เลย mm. เพียงแต่รำพึงรำพันเฉยๆนะครับ mm. ส่วนเปรตที่4ีนี่ก็ตั้งเอาไว้ที่นี้เมื่อเขาตั้งเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับต้องดูว่ากุศลอย่างอื่นอย่างใดนํามาปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง mm. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเขาเนี่ยจะไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมเช่นไร สังคมสิ่งแวดล้อมหรือมิดเนี่ยนะครับเป็นทั้งหมดของชีวิตนะเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับอาสาบุรุษอีกไปได้ยินได้ฟังอาสาธรรมอีกไอเชื้อที่เคยสะสมมาก็ออกพิษอีกนะครับถ้าตั้งจิตไว้ชอบก็อาจจะมาทําดีได้ระยะหนึ่งก็อาจจะจมลงไปอีกเราคิดดูอะไรไม่ยากนะครับเมื่อเพื่อนพระพิสุเราเนี่ยแหละครับบางทีก็ตั้งใจดีได้วันหรือสองวันที่เหลือก็อไปอีกแล้วนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมมันพาไปหมดนะครับ ตั้งบางองค์ก็เหมือนกับดูตั้งใจจะรักษาธรรมวินัยแต่ด้วยเหตุผลหลายประการไปมาก็เลยกลายทําไม่ได้นะครับตั้งใจได้นิดๆหน่อยๆบางองก็ตามทำใจได้มากอีกหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะในสังสารวัตรเนี่ยนะครับปัจจัยนี่เยอะจริงๆนะครับขันธาตุอายตนะแต่ละอย่างก็มีปัจจัยมากเหลือเกินแม้แต่ปัญญาขันธ์หรือปัญญาเจตสิกนะครับก็เกิดด้วยปัจจัยมหาศาลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนไม่ให้ประมาทในสิ่งที่ที่เกิดด้วยปัจจัยจริงๆนะครับ พนะระองค์จึงเน้นที่อัปปาม า, าทธรรมนะครับไม่ให้ประมาทเพราะถ้าว่าผู้ที่ประมาทแล้วก็แย่เลยนะทั้นคนที่ตั้งใจแล้วก็เป็นเบื้องต้นแห่งความสําเร็จนะครับแต่ทีนี้ว่าไอความตั้งใจอันนั้นจะสําเร็จก็ดูปัจจัยเกื้อกูลอีกหลายๆด้านนะครับท่านผู้ที่จะคงเส้นคงวานในการเจริญกุศลโมลเนี่ยจึงหาได้ยาก บางแห่งพระ อ, องค์ก็บอกว่ากรรมใดที่ดีด้วยมีประโยชน์แก่ตนด้วยกรรมนั้นสตว์โดยมากทําได้โดยยากนะครับเพราะว่าปัจจัยอย่างอื่นๆมันดึงไปหมดนะครับสะสมเอาไว้แล้วก็สําคัญที่สุดก็คือมิจฉาปณิธินั่นเองทีนี้ไอ้มิจฉาปณะนิธิที่ตั้งจิตไว้ผิดเนื่องจากขาดความเป็นผหูสูตรนะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศนะครับก็เลยไม่ได้ตั้ง อัตตาสัมมาปณิทิแต่สําคัญคือเขาไม่ได้ยกย่องคนดีมีคุณธรรมจริงๆต้องดูว่าเขานับถือใครที่สุดนะครับในโลกนี้นะใครเป็นอัศวินในใจของเขาอะนะใครเป็นฮีโร่ใน ใ, นใจของเขาหรือเขาเนี่ยยกย่องใครที่สุดในโลกเนี่ยนะเวลาเขาจะพูดเขาจะนึกเขาจะอะไรเขาอ้างอิงใครไว้ในใจของเขาอันนั้นคือบ่งถึงความเทิดทูนเขาว่าเขาเทิดทูนคนพานหรือเทิดทูนบัณฑิตอยู่นะครับ ถ้าเขาเทิดทูนในบุคคลที่ควรเทริดทูนมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเขาก็ชื่อว่าปูชาจะปูชนียานังแต่ถ้าหาว่าเขาไปนับถือคนที่มากไปด้วยกามวัตถุกามจิเลสกามถือว่าคนนั้น น, นเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตจริงๆพวกนี้ก็เป็นไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาแสดงว่านับถือคนผ่านอยู่ mm hmm. ะนะเมื่อนับถือคนผ่านก็ แสดงว่าเขาส่องเสพอสสัตว์บรุษนะครับเขาห่างไกลาจากสัตว์บรุษทั้งหลายเป็นเต้นนั้นชีวิตก็พาแต่หาไปหาความวิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเทียบดูแล้วสัตว์ในอบายจึงมากเหลือเกินนะครับจึงมากเหลือเกินฉั้นคนที่ตื่นภัยในลักษณะนี้ก็จะรีบนี้นะครับแต่คนที่ไม่ตื่นภัยก็จมลงไปเหมือนกับเปรตยอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็จมลงไปอีกนะครับสามหมื่นปีพลออีก3ามหมื่นปีพลนมาจากนั้นแล้วตำเงอื่นๆให้อีกนะครับ โดยเฉพาะกรรมที่ประเภทกา ร, รมมสสมิธฉาจารย์ถ้ามาทําให้ผิดเอ่อมาทําให้เกิดเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงมาถูกตอนเป็นต้นเนี่ยนะครับบาปประกรรมส่วนนั้นนั้นอีกมาซ้ําเติมอีกไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เวลาที่เสวยผลแห่งกรรมก็นึกอะไรไม่ออกจําอะไรไม่ได้นะครับเพราะ ว, าวิชามันกางกัน้นปกปิดไว้หมดสิ้นเชิงเลยนะครับทีนี้เมื่อนึกอะไรไม่ออกจําอะไรไม่ได้ก็โดยมากก็เข้าร่องเดิมอีกนะครับ ก็รอจนกว่าจะมีบัณฑิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ม, มาเปิดทางไว้นะครับจะมาแวกทางอันนี้ไว้ถ้าตั้งอัตตาสัมมาปณิที่นับถือพระองค์ก็พอจะไปได้ดีบ้างแต่ถ้าไม่นับถือเลยก็อย่างว่าชีวิตก็หมดอีกแล้วชาติหนึ่งนะครับก็จะจมเข้าสู่ห้วงแห่งโมหะอีกต่อไปนะครับไม่นับถือแสงสว่างอะนะก็เท่ากับยินดีในความบอดนั่นเองเพราะะฉนั้นไอหมูลสอย่างนี่นะครับมันเป็นมูลที่เป็นฆ่าศึกเป็นอันตรายเป็นสิ่งที่ ชั่วร้ายเลวทรามมากนะครับมันเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บะนะที่มันเกิดขึ้นะนะเมื่อพวกนี้มันเป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงจริงๆเพราะะฉนั้นคําสอนที่สอนให้รังเกียจนะครับสมสิ่งนี้นะมีเฉพาะคําสอนในาศาสนาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เหลือไม่มีครับที่เหลือนะเท่าที่ผมอ่านหนังสือทั่วๆไปของหลายๆลาลที่นะครับ ไม่มีคําสอนของสายไหนเลยที่จะสอนให้เห็นโทษของโลภะโทสะและโมหะจะเห็นโทษก็ไอแบบที่หยับหยอมนะครับแต่โดยในชั้นลักษณะอินทรียสังวรเนี่ยไม่มีครับอย่างอื่นๆเนี่ยหายากมากนะครับบางทีก็ส่งเสริมในสิ่งเหล่านั้นนั้นด้วยซ้ํานะครับเช่นส่งเสริมเรื่องอ่ายกตัวอย่างใ น, นเมธุนธรรมเนี่ยนะครับหลายๆที่เนี่ยส่งเสริมนะครับ ส่งเสริมเมื่อส่งเสริมก็เท่ากับส่งเสริมโลภะโลภะนั้นเนี่ยนะครับเป็นทั้งสมุทัยศาสตร์เป็นเหตุแห่งาบาปประธรรมอื่นๆอีกมากมายมหาศาลนะครับเขาก็ส่งเสริมส่งเสริมที่ว่ามันไม่มีโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าโอ้โหตรงกันข้ามกับคําสอนของพ ร, ระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่จะมีอัตตะสัมมาปณิที่ยอมรับนับถือว่าคําสอนของพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าดีจริงเนี่ยน้อยนักนะครับน้อยนักเพราะฉะนั้นผู้ที่ สะสมบุ์เพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความสุขจึงโน้ย no, จริงๆครับเมื่อเรารู้ลักษณะนี้แล้วก็จึงไม่ต้องไปรำพึงรำพันกับสัตว์ทั้งหลายว่าเขาน่าจะทำดียังนั้นเขาน่าจะยังงี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ปัจจัยมันไม่มีเลยที่จะให้เป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ข้อความต่อไปว่าเพื่อจะทรงแสดงอกุศลมูลเหล่านั้นโดยสรุปจึงตรัสคาเมียที่ว่าโลโพอกุศลมูลัง ความโลภเป็นอกุศลมูลดังนี้บรรดาคําเหล่านั้นคําที่จะต้องกล่าวในความโลภเป็นต้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังทั้งนั้นนะครับคือพูดถึงความโลภนะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลต่อชีวิตจิตใจยอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าความโลภที่เกิดขึ้นก็ทําให้ไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่โกรธาเกิดขึ้นก็ทําจิตให้กําเริบนะครับแล้วภัยหรืออันตรายทั้งหลายเหล่านั้นที่เกิดเนี่ยนะ คนผู้โลภเหล่านี้ก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยสักอย่างนะครับคิดดูนะในขณะที่โลภเกิดขึ้นย้อมจิตโทสะเกิดขึ้นย้อ ม, จ, อมจิตโมหะเกิดขึ้นย้อมจิตเนี่ยนะอิจฉามัชฉริยกุกุจจทีนะมิถะบาปธรรมอื่นๆเนี่ยระดมกันมาเป็นพรวนมาเป็นกองทับเลยนะครับบาปอย่างอื่นเนี่ยนะแล้วก็ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเวลาอากุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะเบียดเบียนตนด้วยนะครับ ถามว่าเบียดเบียนตัวเองไหมถ้าโดยเฉพาะสมมณะเพศเนี่ยนะครับเห็นว่ามันเบียดเบียนมหาศาลจริงๆถามว่าเบียดเบียนยังไง1ขณะที่โลภะเกิดกุศลศีลไม่เหลือเลยแม้แต่ข้อเดียวนะวินัยปิดกที่พระองคหมื่นหนึ่งพันพระธรรมคันขณะที่บาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นกุศลธรรมเหล่านั้นไม่เกิดในจิตของตัวเลยนะครับพระสุตันตปิดกก็ 21,000 พระธรรมคันนะครับ พระสูตรมหาสารที่พระองค์ตรัสไว้ไม่ว่าจะเป็นทีข้านีกายเป็นต้นเนี่ยนะกุศลธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ตามพระสูตรนั้น น, นก็มองไม่เห็นนะตัวเองก็เสื่อมจากประโยชน์ภาพพิธรรมปีดกอีก42่หมพันระธรรมขันธ์ก็ระลึกไม่ได้ซ่าคําเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์เนี่ยเสียขนาดไหนอบัตอบัต7กองระลึกไม่ได้สมถะ40์ละลึกไม่ได้ลลไไดวิปัสนาภูมิมหาสารก็ละลึกไม่ได้นะครับเพราะโลภะมันย้อมประโยชน์ตนเหล่านั้นก็เสียหายมาก แล้วก็ยังไม่ได้อยูดอยู่แค่นั้นนะครับเมื่อตัวเองประโยชน์ของตนเสียหายทีนี้ถ้าเป็นพระพิสูจน์ที่รับทานของบุคคลอื่น<ม>ก็ทำให้ทานของบุคคลอื่นๆเนี่ยนะครับไม่มีผลมากเพราะฉะนั้นเท่ากับเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามอากุสนละมูลเหล่านี้เกิดมากๆเข้าก็เป็นเป็นคนที่มากด้วยมิจฉาวิตกมิจฉาวิตกเกิดบ่อยๆมิจฉาทิฐิก็จะเกิดเมื่อมิจฉาทิถิเกิดมากนะครับ อาศัยภาวะเพศเป็นต้นนะครับประกาศมิจฉาทิฐิคนทั้งหลายก็จะเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเบียดเบียนทั้งตนเบียดเบียนทั้งผู้อื่นระบาดมิจฉาทิฐิเป็นต้นนะครับหนักๆเข้าโกรธก็ไม่บาปแล้วโลภก็ไม่บาปลงก็ไม่บาปมู้สาวาทก็ไม่บาปผิดศีลผิดธรรมก็ไม่บาปพิสูบางรูปก็สอนทำแก่ประชาชนในลักษณะนั้นนะครับทีนี้พอมากขึ้นนะครับปัญญาของตัวเองก็ดับไปเรื่อยๆ ะะบางคนแม้กระทั่งเคยเรียนเคยรู้เคยศึกษามามากแต่ว่าบาปอากุโสแลธรรมเหล่านี้ครอบงํามากๆก็ลืมหมดนะครับลืมสมณะสัญญาเป็นต้นเนี่ยลืมหมดเกลี้ยงเลยนะครับสมณะสัญญาที่ว่ามีเพศต่างจากบุคคลอื่นก็ลืมสมณะสัญญาที่ว่าชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นก็ลืมหมดสมณะสัญญาที่ว่าอากับปกิริยาอย่างอื่นที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ก็ลืมหมดนะครับ เพราะว่าบาปอกุศสธรรมเหล่านั้นมันปกปิดครอบงําไปหมดแล้วก็ปัญญาที่จะมองเห็นกรรมและผลของกรรมก็ดับหมดไม่เคยอย่างขี้เลยว่าเออโลภะอันนี้เนี่ยนะมีผลในชาตินี้อย่างไรมีผลในชาติหน้าอย่างไรมีผลในภพต่อๆไปอย่างไรแล้วเป็นอุปนิสัยแห่งบาปรธรรมอย่างอื่นต่อไปเป็นต้นอย่างไรก็นึกไม่ออกสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอ สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตจริงๆเนี่ยนะครับก็นึกไม่ออกเมื่อนึกไม่ออกก็พากันก่อรมทำชั่วถ้าวิบากและกรรมชรูปที่มีบุญเก่าพูดอะไรแล้วคนยอมรับนับถือก็จะระแร่ระ บ, บาดไอเชื้ออันนี้นะครับไปหาบุคคลเราอื่นๆอีกมหาศาลเพราะฉะนั้นหมูสัตว์นี้ก็โปรโยพิษอย่างลงสู่กันและกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนนั โปรยพิษอย่างเงี้ยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต่างช่วยต่างฉุดต่างรั้งกันอยู่ให้จมอยู่ในสังสารวัตนี่นะครับโปรยกามโมคะไปหากันและการโปรยพระโวคะไปหากันและกัร น, นั่นนะครับก็ไม่มีจบมีสิ้นนี่นะครับแต่ทีนี้จนกว่าจะเนี่แหละครับผันหน้าเข้ามาพึ่งพระรัตนตรายเต็มที่นะครับดูนะป่วยไข้แบบนี้แล้วก็ยัง สะสมไอ้เชื้อโรคมหาศาลอีก น, นะครับนอกจากไปหาหมอที่มีคุณภาพสามารถที่จะผ่าตัดรักษาได้ฉั้นตรงนี้นะครับในการสะสามปัญหาชีวิตเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสัตว์ทั้งหลายไม่มีสิทธิ์เลยนะครับหมดทางจริงๆถ้าไม่อาศัยพระองค์เพราะว่าพระองค์นี่แหวกวงจรอันนี้ออกไปได้ แต่ที่แวกได้ต้องไม่ลืมว่าสีอสงขขยแสนกับนะครับกว่าจะมีเรี่ยวแรงพละกาลังมาขณะ น, นี้จนกว่าจะมีทศพลยานกว่าจะมีอนาวารณยานกว่าจะมีสัพพัญยุตยานกว่าจะมีอินท ร, ร, รียปโรปริยัติยานนะครับก็บําเพ็ญบารมีมหาศาลมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่หันหน้าเบือนหน้าหนีจากพระรัตนตรายนั้นจึงเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดนะครับเพราะกําลังหันเหชีวิตเข้าไปสู่ป่าสู่รกสู่ดงสู่พงสู่ป่านะครับ ทีนี้ในคาถาในคาถาที่น่าสนใจบอกว่าโลพาโทสะและโมหะเกิดแล้วในตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตอันลามกเหมือนขุยไผ่ย่อมเบียดเบียนไม้ไผ่ฉะนั้นนะบอกว่ามันเบียดเบียนในขณะความเป็นไปของตนนะครับคือหมายความว่าในขณะที่มันเกิดขึ้นมันก็เบียดเบียนก่อนถามว่าเบียดเบียนยังไงเบียดเบียนโดยการห้ามไม่ให้กุศลธรรมทั้งหลายที่ควรจะเกิดเกิดขึ้น เช่นทานกุศลที่ควรเกิดขึ้นนะครับก็ไม่เกิดศีลกุศลที่ควรเกิดขึ้นก็ไม่เกิดนะครับสมถะกุศลทั้งหลายที่ควรให้เกิดก็ไม่เกิดภาวนานะครับหรือวิปัสนาภาวนาทั้งหลายที่ปารบขันเป็นต้นที่ควรเกิดก็ไม่เกิดนะครับอริยมรรคทั้งหลายเป็นต้นที่ควรเกิดก็ก็ไม่เกิดนะครับอริยผลทั้งหลายที่ควรเกิดก็ไม่เกิดนะครับพันโลกุตระธรรมที่ควรทําให้แจ้งก็ไม่ได้ทําให้แจ้งเพราะว่ามันเบียดเบียนนะครับ มันถูกประทุสลายหมดแล้วนะอันนี้นี่ขณะที่มันเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับไฟแผดเผาเนี่ยนะขณะที่ไฟมันลุกโชนขึ้นนะครับมันก็สร้างสร้างความเสียหายให้มหาศาลแล้ววิบากของสิ่งเหล่านี้ที่จะมีต่อไปในอนาคตนะครับนะวิบากทั้งในแง่ของอุปนิสัยตัวเองก็สะสมอุปนิสัยในแง่นี้ด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าเจตนาที่เป็นไปกับบาปเหล่านั้นก็ยังไงครับอย่าลืมว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรม อุปชาเวทนิยกรรมและก็อภราปริยะเวทนิยกรรมบางอย่างก็สามารถไปทําชนะกรรมสามารถไปให้ผลนําเกิดได้บางอย่างไปอุปธรรมบาปที่เคยทํามาแล้วบางอย่างก็ไปตัดรอนบุญที่จะให้ผลต่อไปนะครับบางอย่างก็ไปทําให้ไปตัดไปเบียดเบียนบุญนะครับคือบาปนี่มันอย่างหนึ่งมันไปให้ผลนําเกิดอีกอย่างหนึ่งมันไปอุปธรรมไอบาปที่เคยทําไปแล้วแล้วบางอย่างก็ไปเบียดเบียนบุญที่จะได้เสวย บางอย่างก็ไปตัดรอนบุญเหล่านั้นๆเลยนะครับอันนัทีนี้บางอย่างก็ไปทํากิจในลักษณะนี้นะครับเมื่อมันทํากิจในลักษณะนี้มากๆเข้าชีวิตของสัตว์เนี่ยนะเราจึงอยู่ตรงนี้จึงได้ยินเสียงที่ที่ที่เป็นเสียงของสัตว์ในอบายนี่บ่อยนะครับเนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยได้ยินบ่อยนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะงั้นเราก็มีสิทธิ์ร้องแบบนั้นเหมือนกันนะครับถ้าเราพลาดจากคําสอนของพระผู้มีพระภาคองค์นี้นะครับ เพราะฉะนั้นวิบากที่จะสเสวยต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าความกลัวเหล่านี้ไม่เกิดโอตระปาก็ไม่เกิดเมื่อโอตระปาเหล่านี้ไม่เกิดศีลก็ไม่เกิดเมื่อศีลไม่เกิดนะครับเมื่อศีลไม่เกิดสุจริตสามนั่นแหละคือไม่เกิดเมื่อสุจริตสามไม่เกิดสติประธานเป็นต้นก็จบกันแล้วนะครับผมมักจะไปไปชอบเสียงเนี่ยไอไอสัตว์ในอวัยชนิดหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่านกกังเขนดงมันร้องร้องเพราะเพะไม่รู้สร้างสร้างบาปแล้วก็สร้างบุญปนกันยังไงไม่รู้เกิดมาให้เสียงเพราะจังเลยครับคือเนื่องจากความวิปลาสของเรานะครับสําคัญว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นเพราะนะครับถ้าเราไปไข้ครวนว่าเอน้นั่นนะฐานของเสียงคือคอเป็นต้นเนี่ยนะครับนี่เป็นอากุศลอกุศลกรรมให้ผลเป็นกรร ม, มัชรูปเหรานั้นแล้วก็เปล่งเสียงออกมา จริงเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่วิปลาดนะครับเขาหน้าการุณามากกว่ามันเหมือนกับเขาคร่ําครวนหรือว่ามาเล่าให้ฟังถึงประกาศถึงกรรมและผลของกรรมของเขาอ่ะนะแต่เนื่องจากเราอาจจะสะสมเกิดชาติเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับถ้าเคยเกิดมาก็จะยินดีในสิ่งเหล่านั้ น, น, นอันนนนะคือเราต้องไม่ลืมนะครับว่าสังสารวัตเราก็มีอะไรบ้างที่ไม่เคยเป็น เพราะฉะนั้นอะไรที่มันใกล้เคียงกันก็จะชอบมากนะครับาบางคนเนี่ยชอบเสียงสัตว์นี่แตกต่างกันมากนะครับบางคนก็ชอบเสียงมนุษย์บางคนก็ชอบเสียงอะไรที่แตกต่างกันไปนานาะเนื่องจากอาการสะสมมาของจิตนี่นะครับอุปนิสัยเนี่ยนะมหาศาลนะนะ เขาบอกว่าครัว่าไม้ไผ่นี่นะครับคือไม้ที่ไม่มีแก่นนั่งนั้นไม้ไม่มีแก่นข้างในนะมันกลวงกันะส่วนใหญ่ก็จะกลวงข้างในนะครับไม่เหมือนไม้ตะเคียนไม่เหมือนไม้ประดู่ลายเป็นต้นนะครับมันเป็นไม้ไผ่นะเชื่อว่าตาจ่สาระเพราะว่ามีแก่นอยู่ข้างนอกนะครับไม่มีแก่นอยู่ข้างในนั้นไม้ไผ่นเคือความโลภเป็นต้นที่เกิดขึ้นในตนนั่นเองยังบุคคลผู้มีจิตลามกปราศจากแก่นคือศีล ในภายในให้พินาศไปเหมือนคุยภัยที่เกิดในตนเองย่อมเบียดเบียนคือให้ตนต้นภผยพินาศไปฉะนั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าข้างในไม่มีสาระเลยไม่มีศีลสาระนะครับไม่มีสาระคือศีลอยู่ภายในจิตในใจไม่มีสมะถะเป็นสาระเรียกว่าสมาธิสาระนะครับปัญญาสาระก็ไม่มีอยู่ในภายในนะครับกรรมสกตาเป็นต้นก็ไม่มั่นคงอยู่ในภายใน เพราะฉะนั้นเอโลภาเป็นต้นที่เกิดขึ้นในภายในก็ทําลายบุคคลประเภทนั้นนะครับถ้าจะเป็นในอัตวัฏบางคนก็เหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อทําลายตนโดยตรงเลยนะครับมันเหมือนกับว่าผูกบาปก็เรียกว่าผูกเวรผูกอาฆาต จ, จองเวรอะไรกันมาไม่ทราบเกิดมาเหมือนกับว่าจะต้องทําบาปให้กับตัวเองให้มันหนักๆเข้าไว้นะครับไม่คิดหาบาปเล็กๆทำหรอกทำต้องบาปใหญ่ๆเป็นต้นเนี่ยนะครับบาปที่ผิดศีลอย่างร้ายแรงเนี่ยน ะ, ะทีนี้บาปเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อ มีกรร ม, มสกตาเป็นต้นเมื่อไหรก็จะร้อนรนกวนกวายเลยละครก็เหมือนพระภิสุหลายๆรูปนะครับที่ท่านประพฤติผิดธรรมมีนัยเนี่ยนะตอนที่ทําผิดก็สบายดีเพลิดเพลินดีอะไรดีแต่พอมีฮิริโอตปะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หลังจากนั้นมานะครับชีวิตก็จะเป็นไปด้วยความเร่าร้อนนะครับแต่ก็พอแก้ได้บ้างถ้าหากว่าเร่าร้อนเดือดร้อนนะครับเพราะเป็นที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งทางแห่งความแห่งการแก้ไข แต่ถ้าหากว่ามีความสุขกับสภาพเป็นอยู่แบบนั้นแล้วอนาคตนี่ก็น่าสลดสังเวชใจจริงๆนะครับเพราะว่าคือเขามีโอกาสได้มาเจอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมาทําลายโอกาสด้วยมือของตัวเองนะครับมาทําลายด้วยมือของตัวเองเลยนะครับแล้ววันหลังเขาจะคิดยังไงนะครับหมายความว่าโอโ้โหมีบ้านมีคนสร้างบ้านให้อยู่อย่างดีแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองบอกไม่อยากอยู่นะครับจะจะอยู่โคนไม้เองเนี่ยนะครับเป็นต้นเนี่ยผมจะคนอพับขนาดไหนนะครับ